สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงกษัตรบทที่สามข้อที่สิบหกจนถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่ยี่สิบแปดหนึ่งพงกษัตรบทที่สามข้อที่สิบหกถึงข้อที่ยี่สิบแปดภายใต้หัวข้อแม่ตัวจริงโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า มีหญิงโชพเฮนีสองคนมาเข้าเฝ้ากษัตริย์โซโลมอนคนหนึ่งทูลว่าข้าแต่กษัตริย์มอมฉันกับหญิงคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนางอยู่ด้วยเมื่อหม่อนม่อมฉันคลอดลูกพอลูกอายุได้สวันผู้หญิงคนนี้ก็คลอดลูกด้วยเช่นกันมีเพียงเราสองคนอยู่ในบ้านไม่มีคนอื่นลูกชายของหญิงคนนี้ตายไปตอนกลางคืนเพราะถูกนางนอนทับ แล้วนางตื่นขึ้นมากลางดึกขณะที่หม่อมฉันหลับอยู่นางก็เอาลูกชายของหม่อมฉันออกไปจากข้างตัวไปนอนแนบอกและเอาลูกของนางที่ตายแล้วมาไว้แนบอกของหม่อมฉันเช้าวันรุ่งขึ้นหม่อมฉันตื่นขึ้นจะให้นมลูกก็พบว่าลูกตายแล้วพอสว่างหม่อมฉันเพ่งดูจึงเห็นว่าไม่ใช่ลูกของหม่อมฉันญิงอีกคนหนึ่งพูดว่า นั่นแหละเป็นลูกของเธอส่วนเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของฉันแต่ยิงคนแรกยืนยันว่าไม่ใช่ลูกที่ตายแล้วเป็นของเธอลูกที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นของฉันแล้วทั้งสองคนก็เถียงกันต่อหน้ากษัตริย์กษัตริย์ตรัสว่าคนนี้ก็ว่าลูกฉันยังอยู่ลูกเธอตายแล้วคนนั้นก็ว่าไม่ใช่ลูกเธอตายแล้วลูกฉันสี่ยังอยู่แล้วกษัตริย์ตรัสว่าเอาดาบมาให้เราสักเล่มสิ ก็มีผู้ดำดาบมาถวายกษัตริย์ตรัสสั่งว่าจงฟันเด็กคนที่ยังมีชีวิตยอยู่ออกเป็นสองท่อนแบ่งให้ผู้หญิงสองคนนี้คนละท่อนหญิงที่เป็นแม่ของเด็กนั้นจริงๆสงสารลูกจับใจจึงทูลกษัตัิย์ว่าอย่าเลยพระองค์เจ้าค่ะยกลูกให้นางไปเถอะอย่าฆ่าลูกเลยแต่อีกคนพูดว่าฟันเป็นสองท่อนเลยจะได้ไม่ต้องเป็นของเธอหรือของฉัน กษัตริย์จึงตรัสว่าอย่าฆ่าเด็กนั้นเลยจงมอบเขาให้หญิงคนที่ต้องการให้เด็กมีชีวิตอยู่เพราะเธอนั่นแหละเป็นแม่เมื่อชนชัติอิสราเอลทั้งปวงได้รู้ถึงคำตัดสินของกษัตริย์ก็ยำเกรงพระองค์เพราะเห็นว่าทรงมีสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อพดุงความยุติธรรมพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างอันเยี่ยมยอดที่แสดงถึงสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับโซโลมอน การปกครองและการตัดสินอย่างมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้านั้นทรงตอบคําอธิษฐานของโซโลมอนพระเจ้าประทานจิตใจที่ฉลาดหลักแหลมให้กับเขาพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสติปัญญาเราก็จะได้รับระสติปัญญาแบบพระเจ้าเป็นสติปัญญาฝ่ายวิญญาณซึ่งครอบคลุมสติปัญญา ของโลกด้วยเช่นเดียวกันเราจะต้องนําสติปัญญาไปปฏิบัติด้วยความเชื่อฟังและการนํำสติปัญญาไปใช้ในชีวิตนั้นเป็นการพิสูจน์ถึงความมีสติปัญญาของเราความฉลาดหลักแหลมของเราและเป็นการพิสูจน์ถึงการตอบคำอธิษฐานและความศักดิ์สื้อของพระเจ้าที่พระเจ้าได้กระทําตามพระสัญญาของพระองค์พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่า ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาสติปัญญาขอให้ผู้นั้นทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นถึงอุปมาของผู้หญิงโสเพณีสองคนนี้ทําให้เรารู้ถึงว่าคนที่เป็นแม่จริงๆเขาเป็นไงบ้างบทเรียนแรกก็คือว่าแม่ทั้งสองคนนี้เป็นหญิงโสเพณีครับพี่น้องครับ จากตรงนี้เรารู้ว่าผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่เขาย่อมมีความรักต่อลูกเขาย่อมมีความรักต่อลูกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแบบไหนพี่น้องจะเป็นใครก็ตามแต่เมื่อเรามีลูกขอให้ลูกทุกคนที่จะตระหนักรู้ว่าแม่ทุกคนนั้นรักลูกจริงๆ แม่จริงต้องรักลูกพี่น้องครับเราจะเห็นว่าไม่มีแม่คนไหนที่เพอร์เฟกต์นะครับไม่มีแม่คนไหนที่เพอร์เฟกจากขั้งพีตอนนี้เรารู้ว่าคนที่เป็นหญิงโสดไม่มีก็เป็นแม่ได้และไม่ว่าผู้หญิงจะเป็นชนชั้นสูงขนาดไหนก็เป็นแม่ได้เช่นเดียวกันแต่แม่ทุกคนนั้นรักลูกแต่ในขณะเดียวกันครับไม่มีแม่ที่เพอร์เฟกไม่มีแม่ที่สมบูรณ์แบบพี่น้องครับ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับฉะนั้นไม่มีแม่ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันหลายหลาคนอาจจะมีแม่ที่เราอาจจะไม่ประทับใจมากเท่าไหร่แต่เราจะต้องเข้าใจอย่างนึงครับไม่มีแม่คนไหนที่สมบูรณ์แบบคุณแม่ครับเมื่อท่านเป็นแม่ท่านก็อย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามีความผิดพลาดคุณแม่มีความผิดพลาดอยู่ ในหลายๆช่วงหลายๆด้านของชีวิตเพราะฉะนั้นคุณแม่เองนั้นก็อย่าท้อถอยท้อแท้ครับพี่น้องครับคุณแม่นั้นทุกๆคนรักลูกจริงๆแม่จริงต้องรักลูกประการต่อไปก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับคุณแม่ก็คือแม่จริงเขาจะรู้จักลูกของตัวเองผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่จริงเมื่อตรวจเด็กของเธอทำให้รู้ทันทีครับว่า นี่เป็นแม่ลูกกันอีกคนหนึ่งเขาก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่ลูกของเธอนี่เป็นลูกของฉันแม้ว่าเขาอาจจะเป็นลูกที่ถูกขโมยไปแต่ยังไงคนที่เป็นแม่ก็ย่อมจําได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นลูกไม่สามารถที่จะหลอกแม่ได้หรอกครับแม่จะรู้จักลูกทุกซอกทุกมุมทุกทุกรายละเอียดพ่ออาจจะเป็นคนที่รู้จักลูกไม่หมด แต่ว่าแม่จะรู้จักลูกหมดครับเราไม่สามารถหลอกแม่ได้และในขณะเดกันแม่จะรู้แม้ว่าเราจะหลับอยู่แม้ว่าลูกจะหลับอยู่แม่ก็จะรู้แม้ว่าลูกจะตื่นแม่ก็จะรู้มีเวลาที่แม่ไม่รู้อย่างเดียวเกี่ยวกับลูกก็คือตอนที่แม่นอนหลับครับเมื่อเราป่วยพี่น้องครับคุณแม่ก็จะรู้เมื่อเรากลัวคุณแม่ก็จะรู้ เมื่อเรากังวลคุณแม่ก็จะรู้และเมื่อเรากาลังตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างคุณแม่ก็จะสนับสนุนนี่คือแม่จริงบทเรียนต่อไปก็คือว่าแม่จริงจะรู้ว่าหน้าที่การเลี้ยงลูกนั้นเป็นหน้าที่ของเธอถ้าแม่ในพระคัมภีร์หรือแม่ที่เป็นคริสเตียน เขาจะรู้ว่าการเลี้ยงลูกนั้นเป็นพันธกิจการรับใช้อย่างหนึ่งครับถามว่าทําไมเป็นพันธกิจการรับใช้เขากําลังเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเขาและให้เขาเลี้ยงอย่างดีที่สุดเพราะว่าการเลี้ยงดูลูกการทําสิ่งที่ดีกับลูกการลงทุนในชีวิตของลูกคําสั่งสอนต่างๆความเหนื่อยยากต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่เลี้ยงดูลูกแม้ว่าจะเป็นความทุกข์ทรมาน ต้องทุกขทนเมื่อยามคลอดลูกเก็บท้องนั่นคือพันธกิจที่แม่ได้ทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราทุกคนที่เป็นลูกเราต้องรู้ว่าแม่ที่ดีแม่ที่รักพระเจ้าแม่ที่เป็นคริสเตียนเขาจะเลี้ยงลูกเหมือนดังทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันครับความเป็นแม่นั้นเป็นพันธกิจตลอดชีวิต มันเหมือนกับเป็นอะไรที่เลิกไม่ได้ครับแม้ว่าลูกจะโตแล้วคุณแม่ก็ยังคิดว่าเขาเป็นลูกความเป็นลูกนั้นไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้ประการสุดท้ายเราจะเห็นว่าแม่ทั้งสองคนนี้ก็มาหาขัสซาสโลมอนแม่จริงนั้นเขาสงสารลูกจับใจในที่สุดแม่จริงก็เผยโฉมพี่น้องครับแม่ที่แท้จริง เขาจะมีพระบิดาบนสวรรค์ครับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นพ่อของแผ่นดินฉะนั้นแม่ที่แท้จริงเขาจะพึ่งพระเจ้าครับแม่ที่แท้จริงจะมาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแม่ที่แท้จริงก็จะมีพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ซึ่ง เป็นแหล่งกำเนิดของสติปัญญาแหล่งกำเนิดของความรู้แหล่งกำเนิดของความสามารถและที่สําคัญที่สุดเป็นแหล่งกําเนิดของวิธีการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องพี่น้องครับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้การเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงตามอย่างพระคัมภีร์ครับต้องเลี้ยงตามแบบของพระเจ้าต้องตีสอนต้องเตือนสติอย่าปล่อยลูกให้กลายเป็นลูกที่ตามใจตัวเอง พาลูกมาคิดซะจักพาลูกมาเรียนละวีพาลูกให้เก้าใกล้ชิดกับพระเจ้าดึงลูกให้เข้ามาใกล้กับพระเจ้าพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ลูกนั้นมีครอบครัวคริสเตียนต่อไปอาเมน